ท้าขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 พระเจ้าอาลาวมีผียักเบียดเบียนกินมนุษย์เมื่อหกหมื่นคนเรียกว่าอาลาวัคยักภาษาเงี้ยวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ่ากินคนภาษามาคต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 นาพระพุ้ที่เจ้าได้เป็นพระอรหันต์จักขูญานตาเป็นเทพดูเห็นบทมนุษย์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 รัก อ, อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รลวตาก็ได้ไปภาวนาอยู่ภาบาทเมืองภาคกฝากน้ำขโขงฝากโน่นสมัยพุทธายอดฝ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝรัาางเศษมีอิทธิพลไส้แกว้วมาลบ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 หลวงตาเ็็ดไปแล้วพระบาทบบบกจังหวัดอุดอรหลวงตาได้ไปทำความเพียรอยนั้นหลายาภาษาพระบาทเรียงจัำพลฉันพลแทนหลวงตาก็ไปพระบาทขอแก้งจังหวัดหนองคายหลวงตา ก, ก็ับไป ถราบาดควายเงินจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานลงตาเข้าไปพระบาจอสีเมืองหลวงพระบางลงตาเข้าไปพระบาดโกสัมทีไปอยู่ทั้งสองเดือนนี่ละร้อยพุตทับาทท อ, อำเภอ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 หลวงตาไปทำความเพียรอยู่ได้ในเม็ดมีพระอริงียสององค์เป็นพระโบราณรับปกมีลูกห ม, มังนับลมมาใต้ดาวสองแสงมากเลยกราบถามท่านว่ารอยพุทธบาลรนีเป็นมา่าไร ท่านกาบอกว่าลอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอาหารหันต์แต่เปลี่ยนแตลงเป็นพระอนาคาให้เป็นรูปไทยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นออกจากโลกุตระมาแล้วมาอาศัยโลคิญะแสดงให้เป็นรูปนิมิตอย่างข้าพระเจ้าเป็นพระ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 เข้านิพพานก็นในเมศูนออกจากลมแล้วจิตเป็นอรหันต์อย่าดาวยังอาศัยสวรรค์หอเป็นโลกอยู่พร้อมเชืองหงกเป็นโูกอยู่ถ้าออกพร้อมแล้วเรียกว่นนานิพพานไม่มีเกิดแก่ไม่ตายอย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่ละจึงถวายไว้ แกสมเด็จสกฤห์คุณตาคุณยายผู้ช่วศาสนาพระอรขันในเมืองไทยของเราเอ้ยฮิเทกุห้าร้อยพระ อ, องค์แกนั่งสองพระ อ, องค์อุตล ร, รัศยีอั ต, รอตรศรีรัศย์จังวัฒน์เชตรงเมืองฝ้ายาก ยังไม่ชนสวายเพิ่ต่อเมื่อท้ามีไตมาจะสวายเพิ่มเนื่องพระกระชาปะอยู่ที่ผิวเก่งเดีมนี้เวลานี้ทระหลังเนิดเนปาลเปลี่ยนไปเดิมเชเมืองผิเก่งอยู่ในเดปานองนั่นขยัน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 ขอคำแต่ขันก็ได้ไปนะเจ้าคุณปู่จคุณตาสมเด็จสกราดว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกว่าทำไปที่หนึ่งไปปันสินให้ยายเขาผู้บ้านบนนายดวงคำเข้าไปไหน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 การถามทิกออกมาออกมาท่าเก่าพอออกแล้วปัตตูเล่นก๊อบชะดุ้งนอนสินี่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ปมื่อก๊บชะดุ้งนอนอยู่ในขันสินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบดก็เป็นนสิีจะว่าข้าพเจ้าขี้บดก็เป็นนาทีนี่ความจริงของ ได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายคัมมอันนี้ไถ่บิณฑิตอันนี้นิณัยตประเทศจนตายขึ้นไหนโลกมือนซากขึ้นไหนโลกถ้าแม้อันนี้สงฆ์เจริญพระโธให้ผลเป็นนิชัยพระญผ่านยอมเห็นเอต่างพุทธนาซ่าจันางตีติ ตัศอะคาวะโตอา a ะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัศอะคาวะโตอาระโตสัมมา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 โซลณะมะฮิริยังคุชะเศถษนนันบิตวาปาาธัรมะลายังคุี่เจ้านิพพานไปแล้วหกร้อยปีเปต็มปัสกามีอุปปัสก ป, ปสิกาคู่หนึ่งหัวก็มีสินหา เมื้อก็มิสินท้าได้รับพระไตสรณาคมสามแต่เก้าพระไตสรณคมเก้านะโพทังสระนางคาช้ามิตากรมขวาเป็นพระฟุธเจ้าทำมังคาช้ามิาามหูกรมขวาเป็นพระธรรม ทาขงข <MTV> ันคัซซมิจะหมูกาขวาเป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อทุติยมปีพูทาัคัามิตากําส้เป็นพระพุทธเจ้าทุติยมปีสมััคัซามิหูกําส้เป็นพระธรรมทุติยมปางขัคัซามิจะหมูกําส้เป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อสาม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 หัวก็มีพุทโธสมรมสะสักหัวเนื้อก็ไมีพุทโธสมรมสะสักหัวหัวก็มีเซ็นห้าเนื้อก็มีเซ็นห้าเซนห้านี่ละเป็นที่เกิดพระอรหันต์เป็นที่เกิดพระปฏิกระพริบเป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าเข้าเซ็นห้าเข้าขา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 ไปถวายกับโลกูกเป็นลูกบุญธรรมก็เรียกไว้ขั้นใหญ่ลูกภาษาแล้วเสร็จไปเอาไปถวายพระมหาเิละมหาศิละเจ้าก็รับไว้สอนกอขอกอกาตามภาษาไทยมีอักษรทำขั้นสอนขอมเมื่อสอนได้แล้ว พัดความบวชสำเร็จแล้วก็บวชให้เป็นเจ้าสร ร, รมะในเจริญกรรมฐานภาวนาปาลิปุณณวิสติปาลิบุญครบยี่สิบแลก็บวชให้เป็นพระท่านเป็นพระราชโลคามูลาเสนาสนังว่าเจ้ามอมหรือเจ้าขุนลาม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 นาพุทโธนาธรมโธนาสังโธนาพุทโธอรหังนาธรร ม, มอรหังนาสังโรหังได้สามวัตถาในสำเร็จอรหัตานี่และลักธรรมไม่แวทนอนพ้อนพอนพเทนอไม่ตกรอบสอาเร็จอรหัตาแล้วเป็นที่ยโรโพชนัง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 ที่พระพทธเจ้าปองขังมุส า, าแล้วที่พระพุทธเจ้าเนรพานบูสาแล้วยังแต่ธาตุแก่แก่ที่เรามันไ้เรื่พระพุทธเจ้าว่าเราทั้งข้าสารพาเลเทตัวโซดาแมกโซดาผลเป็นสานที่หนึ่งพาเลเทตัว สาเคชาค า, ามักสาคิคคาผลเป็นสานสี่สอมทาเลศเทีตโตอานาคามักอาาคาผลสีสามคาเลทเทศตัวอรหันตามักอรหันตผ ล, าลสานสีขอไปป่าเตี้ยฝามือไปอาศัยเช่นแก้วพญ า, ายาธิราแทบขม้ยปริกระสา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 โยมไม่ประสงค์ซังั ง, งาทายโยมไม่ประสงค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากที่ไหนถวายพระพรบุษพลาสุาจากักอาตามามาจากหลางกาทวิปสมพูตทวิปเอาดอกบวัวมาบูชาถ้าเแก้วุลมณีจีเรน เ, น เ, เจัจกโยมจะขอถามชนครับ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 มันจงมีดอกบัวลูกเวทนาสัญญาฉาขาันเหมือยางเป็นโลกิีนนะใจเป็นอรหันต์ก็มาพ้นจะกขาาัเป็นอรหันต์แล้วก็ยังกินข้าวอยู่ถวายพระพรถ้าอินทรียแท่พระพูมิเจ้าอัาตมาขึ้นมานี่ว่าพายเององค์นี้รักลูกสาวเขาไม่เสดอจ เีเล่ากูเสอเปล่าเปาเปลาว้ยขีป๊อกปล่าไรว่าไมเกินเหม็นเล่าตั้งตั้โอ้ยโขอโทษโอมขอโทษเมื่อยอมเป็นนาทีหนงมาดกญาติพี่น้องเสนอไปเอาลูกเขยไปค้ำเล่า ถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาเล่าอาบยอมกาแสดงมะเกิงเกินเกเอาเรามาดื่มกึกกึกพราะแคเล่ารู้แล้วยอมกขายออกถึงปายเ่นสุเปเจ้า อ, อ, อาจจะมชาื่อว่าบอกกินพูดในยู่ตังตังยูทนเป็นักอารุกสาวเขาคนละทำไมเป็นไฟอิสระ โยมช้าเราปัฟันนะก็โยมนี่นะนานที่ามาติกยำของโยมมีมีเมียสี่คนนาง <c oughs> นางสู้สมาสู้นทาอุจตลา้ากันทำวันทางให้สม บ, บูรณ์วันทางท้ากันทำเคลื ธร ม, มาะโพสโกเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาใหม่ายอำเภอไปท้องต่อค่าหลวงะจบจังหวัดว่าคนพวกไม่คิดทำลายแผ่ดินค่าหลวงะจบจังหวัดไม่คิดจะหาเห็นให้สำรวจผู้ทเป็นมาค่าฟันด้วยดาบคมกล้าก็ไม่ตาย ไหยสร้างแทนพระอนิสงสากุลแม่สร้างก็แทนได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดให้สร้างเป็นฐานะย้อมเกาสร้างลากง่ายสำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อบ่อหนึ่งไปเอาไม้ไผ่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 ฟังไว้ที่ดินคุดอาหม้อนะเมื่อได้คำแล้วย้ยาวออกสีเดียวคนไปฟอกรัฐบาลเขาจยึดเอาเป็นของหลวงคำก็เอาออกทีน้อยหมอก็ขายคำคำก็ขายเมื่อได้คำแล้วทำชลาหลังหนึ่งคุดน้ำบอ่อแปดข้ามเส้นผ้าคำ ให้ทานอาหารหวานอาหารขา้าวอาหารคนเฒ่าคนแก่นางสาวน้อยแต่1ิบสี่สิบห้าปีไปจนถึงสิบแปดสิบเก้าเบาหน่อยสำัานีิเิดจนมืดทองคำยาคีทีและโยมกับภัยสวัรด์นางลูกสาวช่างม่อนี่ทับทานอย่างยางว่า อายุแปดเซแตกจากขันมนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกยักเบรซาชาโตวากุมพันโดวากุมพันเดวัญโควาญัโคุโนวามาเกิดแล้วไม่ใช่ยักพ่อเป็นยักแม่เป็นยักตัวอย่างชาวไทยครับ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 พร้อมกัเมียของเราถ้าเกตตุลย์เงาเจียงได้ลงมาอาชิชาเทพไท่หายกายเป็นนักแกตอายุแปดสิบเก้าเข้าไปตามหมู่นักนักทั้งหลายเขาก็ถามว่าไอ้เบาโน้ยอายุถึงเท่าไรอายุของไอเบาน้ยแปดิบเก้ายเข้าจะตายวนส หัวไอ้กับบัานกับเมืองเลอเท่าหัวเขาเฮ้ยอย่าไปไ่ว้จังงั้นพระเจ้าทผ่นินประกาศไม่มาไม่ได้ขอขบบาดตายพระเจ้าทผ่นดินต้องการเจ้าเพชรพอยได้ถ้าไม่มาเพชรกดถูกเคยนถูกฆ่าให้บาจิงมาง้าง ซูสดาเสียงร้องอะไรดอกไม้ไปที่หนึ่งก็ไปซับซุกหัวยักษ์แก่ที่สองซุกหัวยักษ์แก่ที่สซุกหัวแก่เสนาบดีกระทรวงมหาดย์เนี่ยพระเจ้าข้าโลกเคยมหาราชเจ้าจะตายวันนี้ควรเตียนไหมพ้าเจ้ า, จ า, าทผ่ทนนจะเปี่ย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 ย้อมกับอธิษฐาตเพชรนักหายกายเพลินอุนอบเอานักศึกษาหอกไปหน้ากาศคันงจะพอว่าขั้นเทว่าโมูยักไในพอใจเยิงเปิดไฟขึ้นไปตามหินเพชรประสันตกลงมามนุษย์เอาฟ้าผากวานฝ้าผ่าขั้นฟ้าผ่าเอาน้ําเหล้าดับมันหายพาควายเอาน้าเหล้าใสพาให้น้ํธธาะใส ที่นักมัากีา่รอบนี่ละพ่อเป็นเมียรของผมครับเมื่อแล้วบทสนามเทได้โสเทบุทโตมีเทบุโตหนึ่งมีปริบาร์ร้อยหนึ่งมาไหว้ธา็ุแก้แกุญแจมันดีสักกูเทวลาซาเทบุโตนี้เขาอยู่สมภูทวานเขาทำเปญายัอ๋ เดินลูกกับปาคนทุกเกี่ยวหน้างัวเกี่ยวหน้าควายหน้ามาขายในความนึกเท่ยบุตรองค์นี้มีข้าวพรไม่เกี่ยวหน้ากาสอมแม่ลูกกล้าไปเชียบุตรองค์นี้เอาข้าวโยนให้แก่กาแม่กาคาบไปแล้วลูกกาซอบหัวลูกเพราะความอยู่ เทพบุตรกโยนเข้าให้แ ก, กแ่กาแม่กากินอิ่มแล้วแก้แก้แก้แก้ลูกกากลับมาอันนี้ล่ละคันจะตายและเลิกถึงทานเข้าแกกาจึงเอาวิญญามาเกิดเป็นเทวบุตรนี่พระพุทธ เ, เจ้านั่งอยู่วัฒนานท่ใดโสภพทิสตโตพระพุทธเจ้าเมตตไตหน่อพุทธกุล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 อาตามามาจากสุภูทัยหลังกาศรีเป็นลูกชิดเจออ้าโคตมะอและจึงมาถึงอาตามาจะขอถามนี่ลกพระเมตไกรยอมนี่ละพระพุทธเจ้าเมื่อไรจึงจะลงไปช่วยาศาสนาจากโคตมะถ้าควรจะไว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 เบื่อกายกันมี บ, บ่เบื่อกายกันมีขายกาม ก, กันตมีอย่างพระเดชะศาสารเกิดลรกมาอันนสันผด า, ายเกิดฆ่ากันฟันกันแย่งกามกันเจ้าพันฆ่าปัญญาเท่าปัญญาลบกันบาดลบกันเลือดไหลในแผ่ดินแล้วคนที่กลัวตายยิ่งก็มีใส่กันเนี้อตอยู่ในป่า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 เินมาเสพโคกันเด็โลกมาอายุสามสิบปีจึงตายโลกสามสิบปีเสพเพื่อหกสิปีจึงตายโลกหกิบปีห้ารอปีจึงตายโลกห้ารอปี0ันปีจึงตายโลก0ันปีสองพันปีสวีขึ้น8 4ด0มื่นสี่พันปี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 ได้แปดหมื่นสี่พันปีแล้วมาโจทตนากัเ น, น่ยคนเรานะนี่ตายหรือเออฆ่าได้แปดหมื่นปีละไม่ตายว่าฆ่าว่าตายเนยบอกไฟเมื่อจดขึ้นไปในอากาศแล้วถ้าเม็ดดินย่อมตกลงคนเราเนี่มันเมด อ, อายุจุสายบ้านคนก็ไม่ใช่เสียงมะกนา อายุมนุษย์ย้อนมา 40,000 ปีเมื่อไรย้อนจะลงไปอายุทั้ง 40,000 ปีนะย้อนจึงจะลงไปช่วยศาสนาตายขึ้นพระเจ้า 80,000 ตายย่อลงมา 40,000 ปีย้อนจึจะลงไปเกิดเมืองเจโตตนาครนถ้าเมืองอะไรไม่รู้ได้เกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 20,000 ปี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 สังฆเพศยุ à, ่งแย่ให้สงเพศกันไปเห็นนั่นอยู่แล้วบลลปราเภศยุ่งแย่ให้มนุษย์ฆ่ากันไปเห็นนา่นอยู่แล้วทำลายลอยพุทธบาทท่าพุทธเจ้าก็ไปเห็นนา่นอยู่แล้วทำลายไมโพธิเทพุทธเจ้าดัชนกไปเห็นนั่นอยู่แล้วเทชาญุกติกาสร้างลอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชา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 พวกนี้เมื่อนิยมไปเกิดเขาอยู่อาวีจีนะพระคุณเจ้านะ บ, า บ, านบ่เห็นดบบเหตุนั่นพระคุณเจ้าจงเอาธรรมนี้ไปประกาศไนที่ที่คุณได้ไปให้ทุกท่านอยาเห็นหน่าย้อมฟังธรรมเบสสระให้แล้วเมื่อหนึ่งวันเดียวให้ทากันทัพการกุศลใส่บาทอย่าด น, นับเมื่อยั้งนุมเลี้ยงลูก เลี่ยงหลานทานลูกตั้งตัวหลานตัตัตวโกคินไปดำดาจงฉละออกบวชกายกับใจกายในอะยยังใจงไงนุ่งผ้าขาวแปดคำ่ำผ้าขาวเสืขาวนอกกหน่ากะอยู่ข้างหลหลานให้บวชใจบวชใจยังไม่ไาพระคุณเจ้ากายไม่ขาด กายก่อกายเป็นสินใจก่อเป็นสินกายะกายไม่รับทรัพย์กายก็อกายเป็นใจสินกายะออกบวชไม่มีฝัวเมียกายก็อกายเป็นใจสินกายะกายไม่ขี้ปดกายเป็นสินใจเป็นสินกายะกายไม่กินเหล้าใจคือกายสินย่อเข้า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 จตไม่เดาหิจิตเป็นสิงประจานใครธรรมภาวนาโพธิโทนะอัลหันธมโมอลหันสัโหัวันพธที่ยโพธ์โทอลหัโพธ์โทอัลหันโพธโทอลลหัสองครั้งธรรมโ ม, โ ม, โมอัลหันธรมโมอัลหันธรรมสังโฆหั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 อธิบา ย, บญญา อ, ย, ายอะไรเนี่ยสูตรยามย่อขอปฏิวัติจุติญาวาริวะอาปูลาปาลิปูเรติสักลังเอวเมวตังเตตานังุปปกปฏิตังตุขางคิดตระเมธนตุซาเพปูเรนตูสังกปาจันโทปาาัญาลาโสยถามมนิโสติราโสเนธาสาพิติโยวิวัสัตตุภาโกวินาสตุมาเต พวัตัวตนตรายโยสุขิธิคาโยโกภาอภิวาทนาจจทาาศตทีติเจมคาปจาญิโรจตารโอทมาอัญมณโสุขังพลังอัญมณโดสดุขังพลัอัญมสุขังพลังสวัสดีแล้วย่อเอกะมันใหญ่กว่าของไอ้กุศเเทมผัว ก, กุศไปเป็นเมยียสายโจรคนน่ะ